เวลาจะนอนมันก็นอนไม่ได้เพราะว่ า, ค, าคิดถึงเรื่องการกู้เงินคิดถึงเรื่องการผัดผ่อนเรื่องหนี้สินเสร็จแล้วเป็นไงนอนไม่หลับพยายามสร้างที่ใสนะให้ทาเป็นอย่างๆมีคำพูดว่าเดินทีละก้าวนะกินข้าวทีละคำทำทีละอย่าง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 ตอนที่มาบวชได้ไม่กี่เดือนนะเป็นพระฝรั่งรูปเดียวเป็นชาวต่างชาติรูปเดียวที่วัดหนองประพงค์ขาวยังก็มีโยมมาบอกมานิมนตนะให้ไปที่ศาลาอาจารย์สุมเมทก็รีบเดินเลยก็เดินแบบรนๆนะโยมก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่นเดินไม่เหมือนหลวงพ่อชายนะหลวงพ่อชายทนะ่า น, นเดินทีละเก้าได้ฟังท่านี้ท่านก็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 ไม่มีสมาธิกับงานและห่วงลูกมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวอยู่ที่ทำงานนะลูกอยู่บ้านห่วงไปก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ น, น่สินนะที่จะต้องผัดต้องผ่อนต้องชำระเอามาคิดในระหว่างทำงานมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะก็ททำให้หนักใจแทนที่จะทำงานให้ดีก็งานก็ทำได้ไม่เต็มที่บางทีก็เสีย ง, งานเขาอีกงานก็ไม่สาเร็จ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 อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เคยพูดนะว่าการเจรด ส, สติก็คือมันก็มีหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเหมือนกันนะตัวอยู่ไหนใจอยู่ไหนกับทําทีละอย่างคิดทีละเรื่องอย่าทําหลายอย่างพร้อมกันอย่าคิดหลายเรื่องพร้อมๆกันหรือว่าติดๆกันคิดให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆก่อนเหมือนกับว่าเปิดลิ้นชักก็เปิดทีละลิ้นชักพอจัดการข้าวของในลิ้นชักนั้นแล้วก็ปิด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 ด้วยวิธีการง่ายๆนะแต่แน่ละเวลาทํามันยากเพราะว่าไอ้นิสัยที่ไม่ดีมันโดยพราะนิสัยเพื่อว่าทําหลายอย่างพร้อมกันคิดหลายเรื่องนะติดๆกันเนี่ยไม่เสร็จสักเรื่องแล้วคาราคาสั่งเนี่ยมันสะสมมานานจริงๆทพูดถ้าพูดถึงการเจริญสติอย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบเนี่ยนะที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยก็อ่าเป็น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 ใหรู้เรื่องกายเรื่องใจงมันสำคัญยังไงก็ทำให้ใจเนี่ยปลดเปื้องจากความทุกข์ได้ทำให้อความหลงไม่มาครอบงำแล้วก็ทำให้เกิดปัญญานะเพียงแค่มีสติเนี่ยนะดูกายแล้วก็ระลึกได้ว่ากายมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากแล้วเเมื่อตอนท้ายนะของบทสวดที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ย จะมีประโยชน์บอกว่าเนี่ยสติตั้งมั่นนะว่ากายมีอยู่คอสังเกตว่าสติตั้งมั่นหรือว่าการระลึกว่ากายมีอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ระลึกว่าเรามีอยู่นะนถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความสำคัญไม่หมายว่าเรามีอยู่หรือว่าตัวฉันมีอยู่หรือว่ากูมีอยู่นะ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 มันก็เป็นเรื่องของอาการนะไม่ใช่เราคิดโกรธันก็เป็นความโกรธเกิดกับใจนะไม่ใช่เราโกรธราคาเกิดขึ้นกับใจก็ไม่ใช่ว่าเรามีราคาหรือเราเป็นราคานะหรือว่าเราอยากอันเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นสติที่จะช่วยทำให้เราเนียทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายและใจใเวลาพูดถึงว่าสติปัฏฐานสมมาสติเนี่ย